หนึ่งของทางพุทธศาสนาคือมีการประชุมของพุทธศาสนิกวนส่วนพระท่านก็มีการปรวารณาชาที่จะมรษามาสิ้นไตรมาสสามเดือนแล้วก็จะต้องปวารณาออกพรรษาเป็นวันวันนี้เป็นวันสาคัญปกติธรรมดาพุทธศาสนิกวนจะต้องพากันฟังธรรมเทศนา เพื่อการบูชาพระพุทธธรรมประสงค์เรียกว่าปฏิบติบูชานอกจากนั้นอีกบางคนผู้มีความสามารถจะต้องปฏิบัติบูชาด้วยการทำกรรมฐานตลอดคืนรุ่งเป็นปกติอย่างนี้ทำมาส่วนมากอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธากวามสามารถของบุคคลผู้ที่จะทำได้ คือการปฏิบัตินั้นเอาตามศรัทธาในกาใช้บังคับเราศรัทธาแล้วเราบังคับเราเองคนอื่นบังคับไม่ดีบุญกุศลจะกลายเป็นของคนอื่นไปใช้เมือน่อเราใช้ตัดอาหานะ์งวควายมันลากล้อลากเวียนอย่างนี้ผลประโยชน์ได้กับเจ้าของผู้ใช้งวควายมันแล้วไม่ได้อะไรเลย ยังไม่น้ําซ้ำเวลามันตายแล้วปกินเนื้อมันเฉยซ้ำไม่ค่อยได้ไประโยชน์เท่าไหร่ดอกถ้าหากตนเองบังคับตนเองนั่นแล้วเกิดศรัทธาแล้วบัรคับตนเองนี่ดีมากหากจะไม่ได้ผลในด้านปฏิบัติก็เรียกว่าได้ผลในด้านที่เราทรมานจิตใจของเราคือเราบังคับใจของเราได้ธรรมเทศนาที่จะแสดงวันนี้ก็ พอดีก็เป็นวันสรุปธรรมะที่แสดงมาตลอดพรรษาคงจะพากันจําได้ถึงเรื่องเทศมาเพ่งจำไม่ได้หมดก็พอจะรู้เป็นคร่าวๆทบทวนเพื่อให้จําได้อีกพอเป็นคร่าวๆไว้สักหน่อยคือธรรมะที่แสดงมาในพรรานี้นั่นระจําวันพระทุกวันทุกวันนั้น ต้องการอยากจะให้เข้าใจนักแน่นในดานปฏิบัติมากกว่าอื่นใกลทั้งหมดถ้าการปฏิบัตินั้นเป็นหลักสําคัญของพุทธศาสนาผู้นับถือพุทธศาสนาถ้าหากไม่ได้ถึงธรรมปฏิบัติคือหัดอบรมจิตใจด้านกรรมฐานแล้วเรียกว่ายังไม่ถันมั่นคงการนับถือพุทธศาสนา เช่นการทาทานจิตใจงอนงนคอนแคนไม่นักแน่ชักแหหากว่ามีคนใดคนหนึ่งมาชักจวนไปทานใดทางหนึ่งมากอยากจะหลมเหลวไปตามคือสัทแานั้นต้องการบุญต้องการกุศลปรารถนาอยากจะได้บุญกุศลจริงอยู่คนที่เห็นจริงและเชื่อมัน่นในรักทาคำสอนยังไม่ทันถึงก่อนได้แง่นิดเดียว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 ถ้าจิตใจมาห น, น, น, นักแน่นแล้วศีลก็มาหนักแน่นเหมือนกันท่านเังนึว่าเจตนาหางพิฆเวทีรังวัฒน์นเจตนาเป็นตัวศีลก็หมายความทั้งใจ ด, ดีเนี่ยช่วยจิตดีๆกันเองเจตนาคือดีเห็นนล้เพียงแค่ว่ารักษาศีลคือกายรักษาวาจารรักษากายย้ำว่าทางหนักแน่นถ้าหากว่ามาได้หัดสมาธิจิตใจเข้า ถึงสมาธิได้จริงๆกันจังแล้วจนะินมารวมอยู่ในที่นั้นหมดสมาธิเป็นที่รวมของบุญกุศลทานก็มารวมอยู่ที่นนะั้นจินก็มารวมอ่ที่นั้นเหตุนั้นถ้าหากฮัดสมาธิได้แล้วนะได้เชื่อว่าเข้าถึงหลักแก่นของพุทธศาสนาจิตใจเป็นของตั้มขัดเชื่อตนเองเนะผู้หัดภาวนา ท, รร ท, ทําสมาธิเชื่อตนเอง คำทานถ้าหากว่าจิตใจเข้าถึงสมาธิภาวนาแล้วไม่ต้องมีคนอื่นเหมือนครับมีน้อยมีมากทานน้อยทานมากมทานโดยความเลื่อมใสใจใจริงทานเพื่อสละเพื่อผลประโยชน์โดยแท้เพื่อผลประโยชน์ด้านจิตใจโดยแท้ ไม่ได้ทําบุญทาทานเพื่อการแลกเปลี่ยนการทําทานเบื้องต้นนั้นถ้ายัางว่าท่านพอถึงสมาธิภาวนาคล้ายๆก็จะเป็นทานในการแลกเปลี่ยนแค่ไปถึงจิตใจเปลี่ยนยังไงแลกเปลี่ยนยังไงอย่างที่พากันเห็นเหงี่ยอยู่ทั่วไปบางคนต้องการชื่อเสียงจิตยิจดยังคนนิยมนับถือหรือเพื่อประโยชน์ในการฆ้าหาเสียง ทำบุญทาทานอย่างพวกเทนช่วยสงเคราะห์ทำบุญวัดนั้นวันนี้เพื่อหาเสียงนี่เป็นต้นอันเนี้เพียนทําทานนี้ไม่ได้เข้าถึงศีลถ้าหาว่าเข้าถึงศีล น, นะครันี่จิตใจยังหนักแนงครับเพระงั้ น, นี้ไม่ใช่ว่าจะเที่ยงว่าจะทานนะทานศีลก็เป็นทานในตัวอยู่แล้วทานคือสละกลมชั่วทานกลมชั่ว เห็คนควมชั่วเกิดมีที่ตัวของตนโดยเฉพาะเมดเว้นจากควมชั่วก็เหมือนไอ้ก็เรียกว่าสละความชั่วทานความชั่วหากจะมีปัญหาะทานให้ใครๆละไม่ได้ทานให้ใครหรอกควมชั่วนั่นทางดียในโลกอันนี้คนเราก็ไม่ได้มีใครปลูกฝังให้เกิดขึ้นในะควมชั่วคือโทษจิตโทษท่าโทษแต่ก็การแต่ว่าคนเราเกิดขึ้นมา ถ้ากัรมาเกาะโกยวมชั่วคือโทษหาโทษแต่ประการเห็นนั้นเราจะละคืนไว้นี่แหละกองอยู่ในโลกอันนี้แหละเราไม่จ้อเอาไปด้วยเราต้องการคงบริสุทธิ์เห็นการรักษาศีนั้นถ้าหากว่าเห็นความจริงในใจของตนคือเชื่อมั่นว่าบาปเกิดสติตังตนแล้วรักษาศีนได้ง่ายสบาย นี่มันเข้ามาภายในเข้ามาอีกแล้วนี่อย่างเรียกว่าเจตนาเป็นตัวสิน่นถ้าเราลักาสมาิคือหัดอบรมภาวนาทาสมาิแี่จิตใจนี่นักแน่นแล้วทุกทีเห็นชัดเลยทีเดียวเห็นคุณค่าพุทธศาสนาชัดเจนแล้วก็เชื่อในธรรมทั้งสองพุทธเจ้าอ่ะทั้งสองพุทธเจ้านี่เป็นนิยานี่กธรรมนำผู้ปฏิบัติ ให้ออกจากความชั่วได้จริงจริงกั น, กนละมองคืนไปข้างหลังมองได้ถนักเลยทำทานโซรา่าทวง ค, วคิตณีเ น, นียวแน่นมีจิต อ, อกอ้อมอาลีเปืือแผ่ก้งขวงรักษาศีลก็ยิ่งทอนเจ๊ะจากการเบียดเบียนอิจาศีลเจึงกันกันเนือประการาต่างๆมีมันไปอย่างนี้เรื่องภาวนาเห็นชัดภายในไว้น และครั้นี้ว่าถึงเรื่องการภาวนาโดยมากยียงว่าต้องการอยากจะเน้นทั้งเรื่องภาวนาโดยส่วนมากที่เทศสนามาในพรรานี้เบื้องต้นก็นเริ่มทั้งตัวของเราคือพูดถึงเรื่องธาตุสี่ขันธ์อายิสนะเป็นลๆ ด, ดับมาครั้นี้จะพูดสรุปตอนนี้นะ่ะว่าธาตุสี่ขันธ์ฮายิสนานั้น เป็นที่ตั้งของกรรมฐานคือความสงบก็ได้เป็นที่ตั้งของวอภิษนาก็ได้ที่ตั้งของสมถะคืออะไรคือเรามากํำนด์เอาที่ธาตุสี่ขัหาเนี่ยเรียกที่สะดานดไปก็เรียกว่าจินก็ได้อ น, นาปามสติก็ะทั่งสี่ขันธ์หามะนาสติก็อยู่ธาตุสี่ขัหาอเซวะ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 ถ้าอะไรไม่ยังค่อยปล่อยวางภายนอกคนเรานี่มันถือตัวยึดถือตนถือตัวค่อยเห็นอการแตกดับของสังขารร่างกายตัวของเราสิ่งอื่นๆมันก็ปล่อยวางหมดถ้าตัวของเราไม่มีแกนสารแล้วสิ่งอื่นมันจะมีแกนสารอะไรมันก็สงบได้อย่างเราพิจารณาในสุภาษในร่างกายของตนเห็นเป็นของปฏิกูล เบื่อเน่าโสโครกไปทั่วทุกแห่งทั้งหมดแต่ก่อนเราถือเป็นของดีของดีเมื่อเราถือของเราเป็นของดีของดีของสวยสวยงดงามแล้วมันก็จะต้องถือตนถือตัวถ้นถือตนถือตัวตนดิบตนดีตนวิเศษวิโสอยู่เงินกันเยียดหยามดูถูกคนอื่นเราจู้จ้ตนไม่ได้ครั้นี้พอไปเห็นสมคชาเกิดขึ้นมาโอ้โหไม่ใช่ของดีของดีอะไรเลยมันต้องกาไปฏิปุนโสโครกไปจริงๆ น่าเกลียดจริงๆพอมันเห็นไปของน่าเกลียดที่กูเสิร์ฟออกมาปล่อยปุ๊บเลยคล้ายๆกันกับว่าเราไปจับโอปเปมาเปรียบมันกับว่าเราไปยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของไม่ดีเอาสมมุติกัน ง, ง่ายๆแหละเราไปได้หอหนึ่งห่อของดิบดีทีเดียวเขาผูกเขาติดข้างตีผนึกกาไอกาตีผนึกดิบดีทีเดีย ห อ, อนั่นตกยีกลางทางนล้วอย่างก็เข้าใจเป็นของดิบคนดีพอได้ก็แบกวิ่งเลยวิ่งจันเขาถึงบ้านเลยนึกว่าของนี้นมันจะมีราคาแน่นอนทีเดียวพอมาถึงบ้านแม้จะเปิดก็ไม่อยากเปิดในที่แจ้งเียด๊าบเสียด๊าบเข้าไปในห้องในที่รับบางทีคนในบ้านก็อาจจะไม่อยากเห็นไม่ใช่ไม่อยากให้เห็นให้รู้ด้วยเปิดคนเดียวเลย เอาไปเปิดกันที่ไหนได้เป็นของปฏิกูลสโสโครกเลยสมมุติเราเป็นหนูเน่าทักตัวทั้งหรืไปอยู่ในในหอ น, นั่นโอ้โหยมันน่าเกลียดน่ากลัวจริจริงแล้วก็เห็นคว่ำเหลวไหลของตนอีกทบถือของต น, นถือผิดถนัดทีเดียวหลงผิดถนัดทีเดียวอย่างนี้เนะียเป็นตนเราถือตัวงเราก็เขียนน้ำมันกัด พอเราเห็นว่าตัวของเราเป็นของปฏิปุณโสโครกเรามันก็ปล่อยวางสละและอายตนเองเพราะละอายเพรานไม่ถือทิฏฐิมานะถือตนแต่ตัวยิ่มันก็สงบตรงอันนี้เรียกว่าธาตุสี่คือกายของเราเป็นที่ตั้งของสมถะอันนี้ธาตุสี่คือตัวของเรานี่ยแหละเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาและปานิมันก็ไปทำนองเดียวกันนะ เห็นอันนี้เป็นก้อนทุกแต่ก่อนเราเข้าใจว่าได้ก้อนนี้ก็ดีจริงๆจุก ง, ง, ง, ง, งดีเข้าใจ ว, ว, นะว่าเป็นของดีของดีเลยสนุกสุขสบายใหญ่โตฐานมีตาก็ไว้สําหรับดูสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นคุณค่าเขาตายนี่สนุนสนานเลยว่าเป็นของดีมีค่าไปเสิร์ยิ่งที่สุดนี่หูก็ได้ฟังสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างเสียงพกะสนอทุกประการเข้ามาสู่หูทางนั้น เราไม่ต้องไปยืมหูคนอื่นหูของเราเต็มที่บริบูรณ์ใช้ได้เต็มที่บริบูณ์เลยเรายังเชื่อมั่นในหูของตนว่าตนได้ของดิบของดีเจ้าโมก็ชนนเหมือนกันลื่นก็ชนะเหมือนกันถ้ามีลื้นลองดูสิมีรถอาหารอะไรต่างจะเป็นของดบของดีจะรู้ได้ง่ายอันนี้เรามีลิ้นเฉพาะส่วนตัวของเราอาหารทุกชนิดไม่ต้องไปถามคนอื่น แทนคนอื่นก็พูกก็ไม่เชื่อจะ ต, ต้องชีมด้วยตนเองจึงจะจึงจะถนัดใจได้ชีมด้วยตนเองแล้วแม้ไม่ถนัดได้จริงอย่างใครว่าก็ไม่ไม่เชื่อเลยคร่ะนี้เชื่อตัวเองเถอะแล้วถือลิ้นถือกายถือใจแล้วถือถนัดชัดเจนอย่างนี้ค่ะ น, นี้เราพิจารณาได้ค่ะนี่กายของเราเนี่ยมันสุขจริงหรือมันเกิดปัญญาขึ้นมา วัดเดียวเท่านั้นกายเป็นของปฏิกูลป่อยเน่าแล้วยังไม่ถึงแล้วกายจะต้องเป็นผละตัวของเราคือธาตุสี่จะต้องเป็นผละเราเลี้ยงดูปูเสือทุกประการนอกจากนั้นเราอกอาใจมันทุกปรยการมันยังไม่เอาใจเราอีก ส, สักทมันทำให้เราเดือดร้อนเป็นทุกข์ให้เจ็บให้ปวดมีตาขอเจ็บต า, บตาบมีหูก็เจ็บหู มีจมูกมีเลี้ยงมีกายทุกสิ่งทุกอย่างมีโรคภัยประจําอยู่เลยนะมีมือก็เจ็บมือนิ้วมือแต่ละนิ้วนี่มันยังมีโรคประจําอยู่เลยนะยิ่งมีมากทสดงว่ายิ่งทุกข์มากมันเลยไม่ใช่ของสุขแต่ละมันกลายเป็นของทุกข์ทั้งหมดนะไม่เห็นเช่นนี้เขาแล้วเราจะรู้สึกน่าเบื่อหน่ายในความทุกข์ของตนในร่างกายของตนเอง พฤกของมันไม่เที่ยงมันแปรสภาพออกไปเสมอคําว่าทุกข์ว่าทุกขนะ์น่นคือว่ามันไม่เที่ยงนั่นเองท่านเจ้าเลี้ยงมันมันแปรสภาพไป น, นั่นท่นานเดียวว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์แปลว่าทนได้ยากก็ที่จะทนได้ยากกับเพราะมันไม่อยู่คงที่เราต้องทนต่อสู้มันอยู่ทุกขณะเนี่ยสู้ซักเท่าไรเท่าไรมันก็เอาชนะไม่ ไ, มได้สู้จนวันตายที่ในผลที่สุด เรายอมแพ้จนวันตายเมื่อเราไม่เห็นของไม่เที่ยงมันทนด้วยทรมานด้วยของไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วก็จะเห็นไปว่าเอออันนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่อํานาจวิสัยของเราเนี่ไม่ได้อยู่บังคับของเราสักนิดเดียวหนึ่งแล้วลงถือว่าเป็นตัวตนของเรามาแต่ น, นมแต่ น, นานมาป่านนี้ยังค่อยรู้ตัวอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแท้ทีเดียว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 มันก็เป็นตัวปัญญาเห็นชัดแจ้งเรียกว่าวิปัสนาคือไม่ได้ถามคนอื่นเห็นชัดแจ้งในตนเองไม่ได้ถามคนอื่นไม่ได้เีย่วคนอื่นเรียกวิวปัสนาจึงว่ากายก้อนนี้เป็นที่ตั้งของวิปัสนาอันนี้แยกเป็นเรื่องพูดพูดถึงเรื่องธาตุสี่เป็นที่ตั้งของสมถะธาตุสี่เป็นที่ตั้งของวิปัสนา อันนี้พูดเข้าใจกันทั่วไปสำหรับความจริงแลนั้นปัญญาก็ปะปนก็อยู่กับสมมถะสมถะกัปะบปะปนอยู่กับปัญญาดังที่อธิบายฟังมาในเบนนื้องต้นถ้าหากคนช่างคิดช่างจับเอาเรื่องเล่า น, นั้นมาพิจารณาเราจะเห็นชัดว่าการพิจารณาเห็น ตังขาร่างกายตนเป็นของปฏิกูลเปลือยเนา่ามันก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันก็เป็นตัวปัญญาพัฒนาอยู่แล้วเห็นการปฏิกูลของปฏิกูลโสโครเปลือยเนาไม่ใช่ตนไม่ใช่ตั ว, ม, ตวมันก็เป็นวิพัสนาอยู่เนี่ยอันนี้การที่เราเห็นชัดอย่างนั้นน่ะจิตมันปล่อยวางมันจิตมันสงกมันก็เป็นตัวธรรมชาตอยู่แล้ว พูดกันง่ายๆอย่างหนึ่งว่าถ้าปัญญาไม่มีทำสมาธิไม่ได้สมาธิไม่มีไม่เกิดปัญญานี่มันอยู่ด้วยกันอยังงแล้วผู้ไ ด, ด้ย่อเนี่ยเทศชนาว่าคู่มีไม่มีชานไม่มีปัญญาคู่ไม่มีปัญญาไม่มีชาต์นี่มีหลากหลายอย่างนี้ชาตกับปัญญาจึงว่าเป็นคู่กันไปอยู่ตลอดเวลา ที่อธิบายแยกก็เป็นส่วนบงต้นนั้นเพื่อไม่ให้ผัวพันกันเพื่อจะได้จําได้ง่ายแต่ถ้าผู้มีปัญญาแหลมเข้าไปนะ่ะไปจับเอาที่ท่านอธิษฐานนั้นมันไปพร้อมกันทั้งสองอย่างเห็นนั้นจริงว่าวันนี้จริงว่าเป็นการสรุปรวบที่เทพมาทั้งมด น, นตั้งแต่ต้นท่ขี่ขันทายสนะที่แสดงมานะั้นเพื่อให้มารวมลงไปได้ว่า ต้องการจะเอาเป็นที่ตั้งของสมถียุปนันให้เข้าใจตรงนี้เมื่อสรุปรวมเจตความแล้วว่ากายของเรานั้นเป็นพระธรรมเป็นพระคำพีใหญ่คือว่ามีรูปธรรมนามธรรมเรียกว่าธรรมขันหรือขันธท่าสีนเรียกว่าท่าดิพัต ถ้าแสดงว่าคำภีท่าดิพัทคือจำแนกเกลียขัดขันห้าเรียกว่าธรรมขันขันห้าระการอายตนะดิพัทท่านแจกจำแนกตาหัวจมูกออกไปเป็นอาการอาการเรียกว่าอายุนะดิพัตจำแนกเกียอายุนะไม่ได้จำแนกเกที่อื่นเถึนว่าตัวของเราเป็นก้อนเพราะคำพีใหญ่โตถ้าหากคนใด แบกพระคัมภีร์นี่ไว้ไม่เอามาอ่านเราก็จะเป็นคนโง่อยู่ตลอดการเวลาเรียกว่ามีโมหะวิชาคุ้มครอบงมอยู่ถ้าคนใดเอาคัมภีร์นี้มาอ่านแล้วจะแตกฉานในพระคัมภีร์พระคัมภีร์นี่คือพระธรรมข้อสองพุทธเจ้ามีบรรจุอันนี้ครบหมดบริบูรณ์พระธรรมข้อสองพุทธเจ้าผู้ที่ไม่มีปัญญา อ่านพระคำภีนี้ไม่ได้ท่านเรียกว่าโมพะคือคนหลงเรียกว่าคำพี์เปล่าผู้มีคำภีร์เปล่าคือว่าไม่ได้คือ่าไม่อ่านไม่ได้ตันเองที่จริงมันมีอยู่ละคำพีนี้มีธรรมะอยู่หละแต่ว่ามันเปล่าเพราะเหตุที่เราอ่านไม่ได้มันไร้ประโยชน์ไม่ให้เกิดประโยชน์แก่เราตัวของเราเรื่องพระกันแบกคำภีอยู่ตลอดวันตลอดคืน ขึ้นเหนือล่องไต้เข้าป่าเข้าลกเข้าวัดเข้าวาเข้าบ้างเขาจ่องถ้ากําแดกคมภีเขาละคมภีคมภีร์ถ่าคมภีร์นี่ลงน้ํำดำน้ําทอดแห่หาปลาก็เอาคำภีร์ของอปุตตะนี่แหละเอาไปทอดเข้าป่าหายงิงเนื้อหยิงฮัลลาเนื้อหลาสัดเข้าคำพีเนี่ยแต่ละเนื้อหลาสัดเข้าบ้างเขาจ่องไปทํามาค่าขายให้อยู่ห้องจิ้นก็คัมภีรเนี่ยไปแดดคำภีเนี่ยไป ข่าวัดขววาฟังเทศฟังธรรมก็คคมภีรเนี่ยไปฟังเอาคัมภีรเนี่ยไปฟังพระทันเทศเอาไปเทียบ ด, ดูกับที่ทานเทศให้ฟังคนนัมภีร์ของเราที่เราอ่านนั้นมันยังไม่ทันถูกต้องตรงไหนเอาไปทานสอบทบทวนดูที่ทานเทศสนาให้ฟังเราข่าวัดข่าวาแล้วเอาคำพีเนี่ยไปไปทบทวนดูสอบทานกับที่ทานเทศให้ฟังถ้ามันถูกเราก็จะเด่นภูมิใจอ๋อเราอ่านไม่ผิด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 ถ้าไปรู้จักต้นตอมูลเหตุของคโคมโรคปวดหลงแล้วท่านก็นมีอุบายแก้โคมโลรคปวดลงนะครับให้มันหมดชิ้นไปไม่ใช่ท่แต่ว่ารู้เฉยบางคนรู้รู้แต่ว่าไม่รู้จักต้นต่อของมัรู้จักต้นต่อแต่ว่าแก้ไม่ได้ส่วนพระพุทธเจ้าไม่เป็อย่างนั้นรู้จักต้นต่อของกิเลสรู้จักกิเลสก็คือรู้จักต้นต่อของกิเลส แล้วก็ห า, าวิธีแก้กิเลสนะจนให้ลุ่งร่วงไปได้จนหมดสิ้นไปได้ท่านพระเจ้ายังมีความกล้าหาญสามารถทุกสิ่งทุกประการและอาจหารเรียกว่าวิสาสะแก้วกล้าพูดโดยไม่มีเกณฑขามเลยในถ้ำกลางบริษัทไม่ว่าบริษัทใดๆจะเป็นคนชั้นไหนภูมิไหนขนาดชั้นราชามหากขัตตสูงแสนสูงท่านได้เห็นควาจริงถึงเรื่องกิเลมสมีเสมอภาพทั้งหมดท่านกล้าพูดได้ โดยไม่เกรงใจใครเลยจะชัก็อย่างให้เหตุเช่นว่าความโกรธมันเกิดความโกรธเนี่ยรู้จักทุกคนเนะี่ยโกรธนรี่รู้รู้กันดีทุกคนมันโกรธมาจากอะไรนี่เราไม่ได้สอบสวนเข้าไปคน้นคว้าเขามาหาต้นตอของโกรธความโกรธ ม, มันเกิดมาจากความไม่พอใจเมื่อไม่พอใจใน สิ่งใดในบุคคลใดมันก็โกรธขึ้นมามันโกรธไม่พอใจแล้วมันก็เกิดความโทมนัสขึ้นความน้อยใจอความโกรธในที่มันพอใจได้วความโทมนัเกิดขึ้นเพาอะไรพูดลงไปเข้าไปหามันเห็นแก่ตัวเหมือนกันนะพูดลงไปไปเห็นแจตัวคือมันเข้าตัวใช่ไวางไม่ลงใครเมื่อวางไม่ลงคันนี้ก็ เมื่อไม่ถูกใจของเราค่ะเกิด<อ>ความน้อยใจแล้วเกิคดความโกรธขึ้นมาในต้นของมัมันมาอย่างนั้นต้นของความโกรธครั้งนี้เมื่อเราไม่เห็นเช่นนั้นแล้วเราจะทําไง<อ>เราจะต้องวางให้มันเสมอตัวลงไปคือว่าอย่าให้มันเข้าตัวอย่าให้มันเห็นแก่ตัวคือว่าเห็นสภาพขอ ง, อของมนุษย์ตัดให้เสมอภาพเขงหมด อย่างที่เทศถึงเรื่องธาตุสี่คนเ้าไม่มีอะไรหรอกมีเพียงธาตุสี่เท่านั้นแหะไม่ใช่ตนตัวไม่ใช่มนุษย์สัตว์บุคคลตัวตัว้องเขาสักแต่ว่าธาตุเทศจันทร์ก็ว่าธาตุประธามมาหนึ่งเท่านั้นนี่ไม่ถือตัวอะครไม่ถือตัวมันวางไม่ถือตัวมันกระสบายอันนี้หาว่าเขาจะมาพูดเราทั้งเรื่องเหยียดหยามรู้ถูกถึงเรื่องร่างกายอันนี้ว่าตนตัวของเราเนี่ยที่เรานึกถือถือยึดถือยั่ไเขาจะถือว่าสัตวตัวหนึ่งล่ะ เขาพูดว่าสัต์ซึ่งเขาเทียบไดงหมูหมูหมาก็ดีงัูควายก็ดีเราก็ไม่ใช่หมูหมางวกมันก็สัตมันก็ก้อนดินก่อนหนึ่งธาตุสี่เหมือนกันพูดที่เขาพูดเขาก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันแล้วมอะไรจะไปเทียบจะโกรธมันจะเกิดความยิ่ฉชาเลือดสีมาจากไหนมันจะเกิดความพอใจมีมีมาจากไหนมันไม่มีหรอกมันเห็นเป็นธาตุสี่เสมอภาพทั้งหมดทั้งหสบายอันนี้อความ ที่ใจเราไปยึดนึ่งเขาก็ยึดของเขาเราก็ยึดของเราอาการยึดแต่มันได้อะไรยังเราไปยึดท่าสี่มันก็ไม่ใไม่ใช่ของเรานี่มันเปล่าทางด้านเนี่ยเรายึดแต่มันต้องยึดแต่เป็นของเราแต่ท่าสี่แท้ๆไม่ใช่ของเราท้องอยู่ในโลกนี่ไอความยึดเนี่ยมันก็ว่ามันก็ปล่อยหายไปครั้นี้ที่เขายึดเนี่ยเหมือนกับเกิดเรายึดเหมือนกันที่เขามาว่าให้เราน่ะคือเขาไม่พอใจเลยเขาอิจฉาเรืเสียเรืประการต่างๆ เขว่ายแล้วก็เหมือนกับเรายึดเราเห็นเราปล่อยความยึดเราไม่ยึดไม่ถือแล้วเราไม่เห็นเขายึดครานี่มันชักแกงหวยให้หัวเราะเลยตอนนี้เราสบายใจนี่วิธีแ ก, คก้ความโกรธเกิดขึ้นเราแก้งนี้เรียกว่าเห็นตัวโกรธของโกรธแล้วก็เห็นมูลของความโกรธแล้วก็แก้ความโกรธได้ด น, นี่พระพุทธเจ้าท่าน กล้าหาญคูดอย่างนี้เลยเทศนาโดยไม่เกรงใจใครเลยรู้ต้นตอแล้วก็รู้วิธีแก้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าเทศนาให้มากๆนั้นไม่เป็นปัญหาหรอกเทศมากฟังมากก็ไม่เป็นปัญหาเลยมันเป็นปัญหาสาคัญที่สุดก็คือความรู้แล้วหาบายแก้มันรู้ว่าไม่ดีแล้วก็หาบิจยแก้จริงที่ไม่ดีนะ ถามันหมดสิ้นไปถ้าเห็นว่ามันดีแล้วสิ่งใดมันดีแล้วก็พยายามสร้างสมคมดีนั่นไม่ฟังกันมากไม่ต้องเรียนกันมากหรอกเอาเถอะอะไรก็เอาถ้าแกไ้ได้ใช้ได้ทั้งนั้นน่ะสร้างสมมาเกิดมีขึ้นเนีใช่ได้ทานั้นมันกล้องนข้ามอย่างอธิบายมาตะกี้ น, นี้ถ้าเห็นว่าไม่ดีแล้วละเนี่ยลแล้วก็สบายใจ แล้วก็รักษาความสบายใจนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมทามอย่าให้มันเสื่อมคลายไปความสุขนั้นกลับมาเป็นของเราฉะ น, นั้นเรียกว่าเราอ่านพระธรรมคาสอนของพระเจ้าได้ ค, คําคิดพีของพระเจ้าเลยมีประโยชน์อย่างว่าวันนี้เทศสรุปรวมรวมพระธรรมที่ก ร, กระจายกันมาที่แสดงมาเ ป, เ, งเป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบนั้นเป็นการเป็นกันทั้ง น, น, นั้นมันมันยังกระจัดกระจายกันอยู่ ตอนนี้มารวมแห่งเดียรให้มันเป็นพระธรรมอยู่ในตัวของเราทั้งหมดแล้วเราไม่ต้องไปส่งไปหาพระธรรมขั้สอนในที่อื่นทำในตัวของเรานี่ครบมูลบริวรมดระวังความคิดอาจจะมีแหวกแนวไปมันมากมีคือบางคนนะั่นมันแหลมไปอีกแหลมมันก็ไม่แหลมไม่เข้าทางมันแหลมแหวกออกไปข้างนอกเลย ตัวตนคนเ้าเนี่ยมันเป็นธาตุซีรอก่ะใครจะด่าจะว่าง่ากว่ช่างมันธาตุซีหรอกใครจะทุบจะต่อยก็ตามมันตัวเนี้ยจะไปทุบไปต่อยใครก็ช่างหัวมันธาตุซีหอกไม่ได้อีกเลยแบบนั้นก็ไม่ถูกเลยตนนามลาฟังมันไม่ได้กิ้งไปเองเลยธาตุซีนี่<ม>คนเน่ยมันมีตัวใจด้บังคับแล้วมันไปจะเป็นลักขโมยพวกเขาไปชกไปต่อยขอเขาก็่ธาตุซีหอกไม่มีบาไมีบุญหอกอันนี้ไปใหญ่ดิ ทิดถีลึกในคิดถีแบบนี้เฉดเดิ้นฉันจะเอเป็นธาตุสี่ธาสัตว์ต่อชีวิตกับธาตุสี่เป็ น, น ข, อของขาดรักชอบกงขโมยของเขากับธาตุสี่เป็นคนไปรักประพฤติแม้ที่สุดประพฤติผิดไม่ใช่จานครบสู้สู่ลูกสู่เมียเขาหรือสู่ลูกหัวเขาก็ไรด้วยประการต่างๆก็ธาตุาาสี่เราเลยไม่มีบาปมีบุญแบบนี้ไม่ได้มันเลยขอบเขตไปถ้าหากว่าไม่มีตัวจิตมันไปไม่ได้ธาตุ สี่ก็นี้ไม่เหมือนก้อนอิดนี่ไอ้ก้อนอิดเนี่ยมันไม่เป็นบาปเป็นบุญจริงๆล่ะคนอื่นเด๋ยวไปป่าหัวคนใครก็ตามเถอะก้อนอิดไม่ได้เป็นบาปหรอกไม่ได้ติดคุกติดตารางนะก้อนอิดคนพูดดังหานะคนเอาคนอิดไปป่าดังหาคนนั่นน่ะเป็นบาปคนนั่นนี่ยความทำชั่วไอ้ก้อนอิดก้อนนี่ยก้อนอินก้อนนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไม่มีใครปอปปาเอาไปป่าเนี่ยตัวใจมันไปปาเขาเนี่ย ตัวใจดีบังคับเขาเหตนั้นตัวใจนี่มันพร้อมมันอยู่ในตัวในในธาตุสี่นะจึงว่าธาตุสี่เพียงธาตุสี่อันเดียวเราทาประโยชน์อะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่ากายของเราเพียงแต่ธาตุสี่ท่านสอนเพื่อว่าให้รู้จักก็ไม่ใช่อะไรทั้งหมดจักแต่ว่าธาตุสี่เฉยเหรอเพื่อจะให้ละการดื้อสนเพือตัวคราวนี้ท่าน แสดงต่อมีขันห้าเอาจิตเข้ามารวมอีกธาตุสีตัวนี้จะดีจะชัว่วมันต้องมันต้องมีนามะธรรมอีกถ้าตุสี่เพียงเท่ารูปประทับไม่เฉยไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยอย่างดินธรรมดานี่ถ้าหากมีคนไปทําหม้อทำไห้แล้วไม่ไปทําก้อนอิดมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็ไม่มีคุณค่าไดเลยจะจับจองก็กล้วงแสนกล้วงเท่าเท่าไใดก็ตามเถอะถ้าคนไม่ไปซับสั่งไม่คนไป ปูกฝังอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ประโยชน์อันนั้นมันต้องมีอีกคนหนึ่งธาตุสี่คือตัวของเราก็เชินนั้นเหมือนกันมันต้องมีนามธรรมอีกคือตัววิญญาณเข้าไปครองในที่นั้นแล้วยังจะมาปรุงธาตุสี่นี่แหละให้ทําความดีให้ทำความชั่วเดวประการต่างๆให้เกิดคุณงามความดีขึ้นนะให้เกิดควมา ม, คว ม, ควมชั่วขึ้น อาศัยธาตุไอ้อาศัยตัวจิตตัวนี้จิตคือตัววิญญาณตัวนี้เป็นประธานแล้วค่ะนี่เมื่อจิตมีความรู้สึกขึ้นมามันรู้สึกเมื่อเกิดเวทนาเกิดเวทนามันเกิดสัญญาคือความจําเวทนาคือความสุขความทุกข์ที่มันเสวยสุขทุกข์นั่เรียกว่าเวทนาแล้วมันก็เกิดความจำจได้สิ่งที่ดีมันกิดพยานที่จะ ท, ทําดีต่อไปจํำในสิ่งที่ชั่วมันเกิดญย า, ยาที่ ทำชั่วต่อไปผู้ทำชั่วเหตุ น, นั้นเองว่านามธรรมนะั้นเข้ามาไปยุกกัรเข้ากับรูปธรร ม, าามและยังค่อยสร้างคุณงามความดีต่อไปได้อันนี้คันที่จะต่อไปหาคุณงามคุณงามความดีวิเศษที่จะ ย, ยิ่งขึ้นไปแต่ในผลที่สุดทั้งรูปธรรมนามธรร ม, าามก็เป็นอนัตตาลงในสภาพเดียวกันว่ดมันเป็นที่ตั้งของอิปัฏฐานอีกเหมือนกัน ดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาถึงเรื่องอนัตตลักษณะรูปังพิกขเวนิตารูปังพิกคเวนิจังแต่ว่าที่เราพูดกันนะไพตรายรักนั่นนะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาพูดถึงเรื่องของไม่เที่ยงกัก่อนแล้วยังพูดถึงเรื่องกายนี่เป็นทุกข์แล้วยังพูดถึงเรื่องกายนี่เป็นอนัตตาธรรมดาคนมันเห็นได้ง่ายกันอย่างนี้ คือเห็นเป็นของไม่เที่ยงใครๆก็เห็นทั้งหมดเรื่องทุกข์ใครๆก็เห็นทั้งหมดแต่หน้าตาเนี่เห็นได้ยากศาสนาสมัยครั้งพุทธก่อนๆครงพุทธกาลคือว่ามีพวกฤาษีพวกนักพจน์บำเพ็ญพจน์บำเ พ, พ็ญสถาธรรมต่างๆบำเพ็ญฌานสมาธิสมบั ต, สบติสอนกันหมดถึงเรื่องเอของไม่เที่ยงเรื่องทุกข์สอนกันได้แต่เรื่องหน้าตานี่สอนไม่ถูก ทอนไม่เห็นขึ้นไม่เห็นมีศาสนาพระเจ้าของเราเท่านั้นที่เห็นอนัตตาที่เห็นอนัตตาเนี่ยเป็นตัวอิปัสนาแล้วเห็ น, นพระเดเจ้ทาท่านตรัสเทศนาเชิงเรื่องอนตัตตารกนสุเรียงว่ารู้ปางพิฆเวอนตตาขึ้นอนัตาก่อนเลยทีเดียวคือชัดเรื่องของไม่เที่ยงไอของไม่ใช่ตัวตนใช่ไมครั รูปบางที่ตัวอนจตารูปปัจจัยทีย่การเปรยญอเนตาภวิสัชนาดังดู ป, ปังวารถายตัง้งไว้ถ้าหากรูปนี้เป็นของเราจริงๆจังแล้วต้องอยู่ในบังคับท้องเราว่าได้สอนฝึกอันนี้ถ้ารูปมันไม่ใช่ของเราเนี่มันยังเป็นไปเพื่อความวิปปินามแปป่วนไปด้วยประการต่างๆผู้ทีภา ว, วนาทั้งหลายถ้าหากไปชัดด้วยตนเองแล้วนั่นจะเห็นตามแนวนี้ทีเดียว ขึ้นอนัตตาก่อนมดภาวนาลงไปถ้าเห็นชัดแล้วต้องชัดอนัอนตตก่อนอันนี้จังต้องทีหลักทุกขังอันนี้จังต้องทีหลักนั่นแหะเป็นเครื่องวัดวิปัฒนาหนึ่งที่เราภาวนาที่จะเห็นว่าเป็นถูกตามแนวยิปัฒนาหรือไม่จะเห็นในตรงนั้นถ้าหากเรายังเห็นอันนี้จังเห็นทุกขังอนัตต์อยู่ กัปัญญาเหมือนกันได้เรียกว่าปัญญาขั้นสมถะถ้าหากปัญญาขั้นนี้พัฒนาต้องเห็นนั้นตาชัดก่อแล้วจงค่อยมาเห็นในทุกขังอันนี้จังอันเดียวกันนั่นแหละเห็นนันหนึ่งเรียกว่าเห็นปฏิวัตรเรียกว่าเห็นอนุวัตคือเห็นตาอนุโลมเห็นอีกอย่างหนึ่งเห็นปฏิวัตคือมันกลับมันกลับกันอันนี้ว่า อธิบายมายืดยาวกล่าวเป็นมากมายเดี๋ยวก็จะลืมหลักคือว่าตั้งหลักไว้คือตัวอนัตตาไอคือตัวธาตุอันเดียวดีละให้เห็นชัดโดยตนเองเชื่อมันโดยตนเองเจียมแจ้งโดยตนเองแล้วเป็นอนัตตาคือหลักก่อนใช่ไหผู้เห็นอย่างนี้เป็นอ น, นว่าเห็นตามทำคํ า, าสองพระเดชเจ้าเรียกว่าเราอ่านพระธรรมค า, าสองพระองค์ถูกต้อง จึงไปของหนักคนเชื่อและนำเขาพุทธปฏิบัติเอาเองนี่การฟังธรรมเทศนาวันนี้เป็นวันสรุปรวมเจ้าของธรรมะทั้งปวงหมดตลอดตั้งแต่เทศนามาเพราะฉะนั้นทุกๆคนอย่าสุภาพกันหลงลืมว่าพระธรรมคาสอนมาอยู่ที่อื่นถ้าเข้าใจอยู่ในตัวของตนหาก็เรายังพิจารณาให้เห็นเลยอย่างไมาทันเป็นก็อย่าไปโทษพระธรรมคาสอนอพเพระจะว่าเปกของไม่ดีเตอนนี้จริงก็เป็ของจริงอยู่แล้ว ถูกต้องอยู่แล้วแต่เราเนี่ยพระธรรมทำใน ท, ทนถูกเราพยายามที่จะทําถ้ามันถูกต้องก็เป็นพอกันเรื่องพระธรรมมีข้อมูลบริบูรณ์หมดเหมือนกับหนังสือที่มีอยู่ในตู้ในคัมพีรเมื่อเราอ่านไม่ได้อย่าไปโทษหนังสือว่าตัวเขามันเลอะเรือนหรือว่าเขาเขียนไม่ถูกพิมพ์ไม่ถูกแท้จริงตัวของเรนเองมันอ่านไม่ได้ถ้าอ่านได้เราถึงผิดพลาดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็เพิ่มเติมได้ นี่เพราะฉะนั้นทุกๆคนต้องพากันตั้งใจพิจเจรณาถึงเรื่องธรรมะเท่าที่อธิบายมานี้ก็จะพอเป็นเครื่องนำทางระพูดปฏิบัติให้ถึงซึ่งความจริงตามความสามารถของตนทุกๆคนโดยในอธิบายมาด้วยประ ก, การเช่น